และจงช่างตวงด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงและจะให้บกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆของพวกเขาและอย่า ก, ก่อความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลายลาวที่ขลักคุณและจีบิลละเตลวอ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 และเราคิดว่าท่านเป็นผู้กล่าวเท็ดคนนี้ดังนั้นจงให้ส่วนต่างๆจากท้องฟ้าล่นลงมาบนพวกเราหากท่านเป็นผู้พูดจริง่งเขาชุมอายกล่าวว่า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 م م และแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธาและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาผู้ทรงเมตาเสมอและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ บบลลและแท้จริงมันคือคัมภีร์อัลกุรอานเป็นการประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกลล อ, ลอารูหผู้ซื่อสัตย์ได้นำมันลงมายังหัวใจของพวกเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เป็นผู้ตักเตือ น, นอ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 บรรดาผู้มีความรู้ของวงวานอิสระอินก็รู้ดีในเรื่องนี้และหากว่าเราประทานมันลงมาแก่บางคนในหมู่ชาวต่างชาติแล้วเขาอ่านมันให้แก่พวกเขาฟังพวกเขาก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อมัา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 โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกกกตพวเขา็จะกล่าวว่าให้พวกเราได้รับการประวิงเวลาบ้างได้ไหมทำไมพวกเขาจึงเร่งการลงโทษของเราอีกล่าเจ้ามูฮัมหมัดไม่เห็นดอกรอว่า หากเราให้พวกเขาเรื่อนเริงต่อไปอีกเป็นปีๆแล้วสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้ก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขานนาาาออุมมมูมาามสิ่งที่พวกเขาได้ถูกให้รื่อนเริงนั้นจะไม่อํานวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขาเลยวะมมาาลนิ และเราไม่ได้ทำลายชาวตำบลใดเว้นแต่ได้มีผู้ตักเตือนแก่มันแล้วเพื่อเป็นข้อตักเตือนและเราไม่ได้เป็นผู้อารรมและพวกใซตตอนก็ไม่ได้นำมันคำเพีอรุกรานลงมา และไม่เป็นการเหมาะสมแก่พวกมันและพวกมันก็ไม่สามารถด้วยถ้าจริงพวกมันเป็นผู้ถูกกีดกันอย่างแน่นอนจากการฟังดังนั้นเจ้าอยได้วิงวอนพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอ์มิฉะนั้นเจ้าจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกทำโทษ จงตักเตือนวงสาขนาญาตของเจ้าที่ใกล้ชิด<ะ>และจงลดปีของเจ้าคือจงอ่อนโยนแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้านลลู หากพวกเขาฝ่าฝืนเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันอยู่ ز ز และจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเดชะรูภาพผู้ทรงเมตตาเสมออผู้ทรงเห็นเจ้าขณะที่เจ้ายืนอยู่และการเคลื่อนไหวของเจ้าในหมู่ผู้กระ แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เสมอฉันจะบอกแก่พวกเจ้าแมว่าพวกชัยตอนลงมาที่บุไดพวกมันลงมาที่ทุกคนที่เป็นผู้โกหก และผู้ที่ทําบาปมากมมาวพวกมันจะเงี่ยหูฟังและพวกมันส่วนมากเป็นผู้โกและพวกเป็นนักกวีนั้นเป็นพวกหลงผิดที่ปฏิบัติตามพวกเขาอลัมตรอันน هم ฟีคลวาดิยหม เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงพวกเขานั้นเร่ร่อนไปทุกขนทุกแห่งและแท้จริงพวกเขานั้นพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่กระทำัลัลัล นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีทั้งหลายและรำลึกถึงอัลลอ์อย่างมากและตอบโต้ป้องกันหลังจากที่พวกเขาคือพวกมุสลิมถูกคมเหงและบรรดาผู้ทำจะได้รู้ว่าทางกลับอันใดที่พวกเขาจะกลับคืนสู่